ก็หลวงพ่อก็เอายกตัวอย่างในข้อเท็จจริงไง น, นะเพื่อเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นตามคิดว่าไม่น่ายากอ่ะหลวงพ่อเอาตัวอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าเอาเอาที่จริงๆมันก็อดีตไปแล้วนะแต่ว่าเอามาเพื่อทบทวนอารมณ์เพื่อมาบอกกันอีกทีหนึ่งค่ะ <c oughs> อย่างหลวงพ่อเคยเคยจัดไอเนี้ยขับเฮาเป็นเป็นประจําเรียกว่าเกือบทุกวันนะทีนี้มันก็แน่นอนละ่ะไอความที่ เคยเคยทำเนี่ยมันก็ยังมีสัญญาจําได้มันระลึกขึ้นได้ว่าอ่ะนี่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้ <c oughs> แต่วันนี้มันทําไม่ได้ก็มีเหตุแต่ที่หลวงพ่อจะบอกก็คือความรู้สึกนึกคิดอ่าเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดคือมันนึกคิดตามเราไม่ได้เจตนาเนาะมันถึงเวลา <c oughs> หรือก่อนถึงเวลาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันปรุงแต่งประมาในรูปของความคิด พอความคิดคิดถึงใครอ่ะเอาก็คิดถึงพวกเราไงพวกโยมพวกเนี่ยนะที่เราเคยคุ้นเคยเนาะแล้วก็ถึงนึกถึงครับเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็มันคิดก็ก็คือมันคิดเอ่อชั้นบ้างยาวบ้างก็แล้วแต่นะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นสภาว ะ, ะความปรุงแต่งทางจิตใจอ่าทีนี้ถ้าถ้าถ้าคนทั่วไปเนาะเขาก็คิดเหมือนกันแหละแต่เขาไม่เห็นภายในคือไม่เห็นภายในตนอ่ะภายในใจ แต่เข้าใจเห็นแต่เรื่องราวที่คิดหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างว่าที่หลวงพ่อเล่ามานะก็หมายความว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเ ข, เขาคิดคิดถึงเคยทํารายการอย่างงั้นอย่างนี้เคยเมีคนนั้นเคยมาพูดมาคุยนะเขารู้จักแต่เรื่องราวแล้วก็มีนิมิตความจําได้นะในในสิ่งที่ได้พบด้วยตาได้ยินด้วยหูเนี่ยแล้วก็เขาก็ส่งออกไปเรื่อยก็เท่ากับว่ารู้แต่ด้านนอกอ่ารู้แต่เรื่องราวที่คิด แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นคู่กันก็คือว่าเรื่องราวที่คิดก็รู้นะว่าคิดอะไรแล้วก็มีนิมิตเครื่องหมายอะไรอย่างเช่นรูปโปรไฟล์อย่างเงี้ยมันก็เคยจําได้เนาะเคยเห็นด้วยตามันก็อ่าผุดมาให้รู้ให้เห็นแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกเห็นภายในใจตนด้วยว่านาะเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีความคิดปรุงแต่งเรียกว่าเห็นสองด้านเห็นด้านนอกแล้วก็เห็นด้านในตรงนี้สําคัญนะเพราะว่า ในชีวิตเราปกติเนี่ยมันก็มีทั้งด้านนอกด้านนอกด้านในก็คือตัวเองคือร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ทีนี้ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่มันก็ลืมด้านในคือลืมตัวเราก็จะรู้แต่ด้านนอกอทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมมากมากก็เรียกว่าไม่ยอมรู้ด้านนอกนั่งแต่ห้องพระแล้วก็ปิดตาปิดหูก็จะรู้ตัวเองรู้แบบเพ่งๆด้วย อ, อันนี้เขาเรียกว่ารู้ในอย่างเดียว เพราะนั้นธรรมชาติที่มันมีความสมบูรณ์สมดุลเนี่ยแบบปกติธรรมดาธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องรู้ข้างนอกแล้วก็รู้ข้างในอ่าทีนี้เมื่อรู้จักนะรู้จักสิ่งที่อยู่ด้านนอกแล้วรู้จักสิ่งที่อยู่ด้านในแล้วเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งเ่เรียกว่าเป็นเป็นสภาพธรรมะที่ทาหน้าที่รับรู้รับรู้ด้านนอกรับรู้ด้านใน แต่ธรรมาชาติรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในเขาเรียก <trucs> ว่ามันรู้อย่างกลาง ๆ, ๆ <ục> นะรู้อย่างที่ไม่เข้าไปเป็นนะไม่เข้าไปเป็นสิ่งสิ่งนอกหรือสิ่งในแต่รู้สิ่งนอกได้รู้สิ่งในได้ตรงนี้ถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้มันมันจะง่ายแล้วล่ะวาอ๋อไอสภาพธรรมะที่เรียกว่ารู้เนีอนอ่ยนมันมันไม่ได้อยู่นอกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ใน แต่ว่ามันได้แต่รู้นอกแล้วก็รู้ในมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่มเออมันก็ได้เป็นเป็นแค่รู้ตามธรรมชาติทีนี้รู้ตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งถ้าเราดูดีๆนะผมก็จะยกตัวอย่างประกอบอีกว่าเวลาคิดถึงกลับเฮาที่เคยจัดมานะ มันก็อันนี้หลวงพ่อทวนของเก่านิดนั่นก็คือมันก็จะรู้ด้านนอกดังเดียวแต่ถ้าไม่รู้ด้านในคือไม่รู้ตัวเราเนี่ยมันจะเป็นตัวเราจะตัวมันจะเป็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้คิดถึงในในเรื่องราวที่อ่าที่เคยทํางานคือมันจะมีตัวเราไปเลยตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้นึกถึงตัวเราวันนี้ไม่ได้จัดรายการตัวเราคือถ้าไม่เห็นตัวเราเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นตัวเราเสียเอง แต่ถ้าเห็นตัวเราเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้แต่สภาพธรรมะที่รู้เนี่ยมันเป็นสภาพที่หลุดที่พ้นไปจากตัวเราตรงเนี้ยมันมันเป็นความละเอียดแต่ว่ามันมันไม่ยากนะหลวงพ่อมองมองดูว่าถ้าถ้ามีคนอธิบายแบบเนี้ยมันมันเข้าใจไม่ยากเลยเพราะว่าเอาข้างนอกก็รู้จักแล้วแล้วก็ถ้ารู้จักตัวเราเป็นแล้วก็คือรู้จักว่าตัวเราก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ เป็นสิ่งถูกรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้มันก็คือมันย่อมไม่เป็นตัวเราแน่นอนอ่ะคือเป็นสภาพที่ที่มันรู้ได้อ่ะเพราะว่าข้างนอกมันก็รู้ได้ตัวเรามันก็รู้ได้เพรา ะ, ะนั้นสภาพรู้เนีย่ยมันมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันไม่ได้เป็นนอกมันไม่ได้เป็นในจริงๆคือมันเป็นสภาพที่หลุดที่พ้นออกมาเนี่ยไอ้สภาพที่หลุดที่พ้นออกมาเนี่ยสภาพอันนียที่เรียกว่าเป็นสภาพที่ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นภาวะที่ที่มันหลุดไปจากทุกข์หลุดไปจากสุขซึ่งเป็นธรรมชาติที่ที่ไม่ปรุงแต่งนะเพราะธรรมชาติภายนอกนะมันก็เป็นปรุงแต่งเกิดดับธรรมชาติภายในใจเราภายในตัวเราทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันก็เป็นสภาพที่นะมีแล้วหมดไปก็คือเกิดดับเหมือนกันแต่สภาพรู้เป็นสภาพที่มันพ้นไปมันจึงย่อมพ้นจากความ ปรงแต่คือป้อนจากความเกิดดังนั่นแหะก็คือเป็นที่สุดแห่งทุกข์มันก็มีมีเท่านี้เองนะทีนี้หลวงพ่อเนาะบางทีก็พยายามจะคุยเรื่องเนี้ยคุยกันบางทีแนะนำญาติโยมที่หลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆเหมือนกับว่าทําความเข้าใจสักหน่อยแล้วก็จะเข้าใจได้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้เข้ามาในห้องว่าง <laughs> ในประจํา <Okay. S 1> เข้ามาในห้องว่างนะ เอถ้าคนไม่เป็นเลยก็ต้องฝึกแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันง่ายเลยพอได้ยินคเนี้ยพอเข้ามาในห้องว่างปั๊บมันก็เห็นตัวเองเลยใช่ไหม ส, สมัยก่อนเนี่ยมันลืมชัวคราวแต่พอบอกว่าเข้ามาในห้องว่างปั๊บมันก็จะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเข้ามาในห้องว่างแล้วพอเข้ามาในห้องว่างมันก็เท่ากับว่ารู้ตัวเองหรือว่าเห็นตัวเองแล้วก็สาภาพที่พ้นไปจากตัวเองมันก็คือเป็นสาภาพภายในห้องอันนั้นนะมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วล่ะ แต่ตัวเราเมื่อเป็นสภาพที่ถูกรู้ถูกเห็นมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งอื่นๆที่ถูกที่ถูกรู้ถูกเห็นนั่นแหละเออมันก็ไม่ได้เป็นอะไรตรงเนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเ อ, อ๋อใครที่ไม่ชํานาญก็ฝึกเข้าห้องนี่แหละเข้าห้องออกห้องเข้าห้องเข้าออกเข้าอาอกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะโอ้ใช่ใช่ <c oughs> จนชินค่ะใช่อย่างที่ได้ยอมยกตัว อ, อย่างกัน่อนนะที่ยอมน้อยน้ยกตัวอย่างว่าในห้องมันมีกในห้องมีนายดำนายเขียวนายแดงนะ อยู่ในห้องแล้วพอเราเข้าไปปั๊บเราก็เห็นได้สามคนนั่นแหละแล้วก็เราไม่เห็นตัวเองสักทีนึงแต่ถ้าอยู่ๆมันนึกขึ้นได้ว่าเอา้าก็ตัวเองก็เป็นเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะเออแล้วมันก็รู้จกักแยกแยะว่าไอ้นายดำนายเขียวนายแดงเนี่ยไม่ใช่เราแล้วเราคือใครเราก็คือตัวนี้แต่เมื่อตัวนี้เป็นสิ่งถู ก, ถกรู้ถูกเห็นไปแล้วเนี่ยไอ้ภาวะที่รู้ที่เห็นเนี่ยภาวะเนี่ยคือหลุดไปจากตัวเรา เพราะฉะนั้นตัวเรากับนายแดงนายเขียวนายดำก็เป็นสิ่งถูกรู้เสมอกันแล้วก็อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเด้เลยนะแต่สภาพรู้เนี่ยมันเป็นสภาพที่หลุดมันจึงไม่ต้องมันไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บ ไ, ไม่ต้องตายไม่เป็นอะไรเลยอย่างอย่างของคู่เนาะที่ที่โยนนุย้นยกำลังพูดถึงนะบางทีคนก็อย่าว่าใครก่อนเ่าก่อ น, นก็หลวงพ่อก็ไม่เข้าใจหรอกของคู่ก็คือไม่เข้าใจต่อให้ยกตัวอย่างว่าเช่นดีกับ ดีกับกับไม่ดี ด, ดีกับเลวค่ะดีกับเดเลวอย่าเงี้ยเขาบอกเป็นของคู่แต่เราก็เข้าใจแค่ภาษาว่าเออดีกับเร็วรู้จักไงแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันเหนือของคู่มันพ้นไปจากของคู่ไม่เคยเข้าใจอันทีนี้ยหลวงพ่อก็ยกกลับมาไอข้างนอกกับข้างในเนาะอันนี้ก็เป็นของคู่เหมือนกันไอข้างนอกก็คือที่หลวงพ่อพูดถึงยกตัวอย่างก็คือว่าเช่นมันมีการนึกถึงอะไรก็ตามนึกถึงเนี่ยเรื่องจัดไอครับเฮาเนี่ย ไอ้นึกถึงเช่นนึกถึงญาติโยมแล้วมีภาพโกลไฟลเห็นอยู่เป็นนิมิตเครื่องหมายเนาะอันนั้ น, <ฆ>นเรียกว่าอยู่นอกตัวเราแล้วก็ไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราก็คือตัวเนี่ยตัวที่กําลังคิดตัวกําลังคิดถึงกําลังพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนะี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอยู่อยู่ในอ่าอยู่ในเนาะอยู่ในตัวอยู่ที่ตัว<ฆ>เพราะฉะนั้นข้างนอกก็คือสิ่งนั้นแหละคือที่หลวงพ่อว่าข้างในก็คือสิ่งนี้ แต่ธรรมชาติที่มันเดิมแท้เนี่ยธรรมชาติที่มันหลุดพ้นมันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสองสิ่งนี้คือไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นสิ่งนอกและก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ข้างในเห็นไหมมันจึงเหนือพ้นจากสองสองสิ่งนี้เขาเรียกว่าเหนือจากความเป็นของคู่เหนือจากความเป็นของคู่คือมันไม่เป็นไงไม่เป็นอะไรายมในจิตใจก็เหมือนกันนะของเรานะถ้าสมมติเราอุปมถ้าเข้าใจเรื่องเนี้แล้วก็ลองไปเทียบเคียงกับความรู้สึกเป็นสุข กับความรู้สึกเป็นทุกข์เห็นไหมมันเป็นของคู่เนาะเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ทีนี้ไอจิตเดิมแท้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมันเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งเป็นจิตที่ไม่ปรากฏอะไรนะมันรู้ได้นี่เวลาสุขมันก็รู้ได้เวลาทุกข์มันก็รู้ได้แต่มันอยู่เหนือสองสิ่งนี้คือมันไม่เป็นสุขและมันไม่เป็นทุกข์เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปทํำลายอะไรนะไม่ใช่ต้องไปจัดการอะไรเพียงแต่ให้ให้จิตเดิมแท้เนี่ยซึ่งเขามีอยู่แล้วเนี่ย เขาก็รู้ได้อยู่แล้วสุขเขาก็รู้ทุกเขาก็ได้รู้รู้แล้วก็เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรไงเขาไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์พอเป็นอย่างนี้ถ้ากับหลุดพ้นพอหลุดพ้นเนี่ยถ้ากับว่าเขาจิตเดิมแท้เขาไม่ได้จัดการเรื่องสุขไม่ได้จัดการเรื่องทุกข์เขาไม่ทําอะไรสักอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะจิตเดิมแท้เนี่ยเขารู้จักตัวเขาดีว่าเขาอะไม่ได้เป็นสุขแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องไปจัดการสุขและก็ไม่ต้องไปจัดการทุกข์เพียงแต่รู้อย่าง ตร ง, งซื่อๆตรงๆมีมคําส่อนหนึ่งน่าจะเป็นของหลวงปู่ฟันนะคะเอ่อท่านบอกว่าจงมองดูปรากฏการณ์นะคะแห่งความรุ่งโรจน์และความตกต่ําด้วยใจที่สงบไร้กังวลเพราะทั้งความรุ่งเรืองการล่มสลายส่งนเขียนไทยนี่คือของคู่นะคะก็เป็นเพียงแค่หยาดน้ําค้างบนใบหญ้าเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความรุ่งโรจน์หรือความตกต่ํานะคะ ให้เรามองดูปรากฏการ์เนี่ยนะคะด้วยดวงใจที่สงบไร้กังวลเนี่ยคะ่ะก็เป็นคําที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็สามารถบ่งบอกความหมายของของคู่ได้นะคะนะคะ่ะทีนี้หลวงพ่อ ก, ก็ยกตัวอย่างที่อยู่นอกตัวนะนอกตัวมันอาจจะดูง่ายแล้วก็ตอนหลังก็มาสิ่งที่อยู่ในตัวตนอกตัวของคู่ก็มีเรียกกลางวันกลางคืนเนาะอ่าอย่างบัดนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ยเขาเรียกว่ากลางวัน แล้วก็พอดวงอาทิตย์ตกไปมันมืดเขาเรียกว่ากลางคืนมันจน<ะ>ึงเป็นของคู่กันคือมีกลางวันกับกลางคืนแต่ธรรมชาติจิตเดิมแท้เนี่ยซึ่งทําหน้าที่รับรู้เนี่ยเขาเขารับรู้นะว่ากลางวันเขาก็รู้กลางคืนเขาก็รู้<ะ>แต่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นกลางวันแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นกลางคืนเห็นไหมเพราะว่ารู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหนือของคู่เหมือนกันค ทีนี้ายกมายกตัวอย่างเทียบเคียงกับความรู้สึกในจิตในใจนะอย่างเช่นอารมณ์อารมณ์มที่เป็นคู่คู่เมื่อกี้พูดถึงสุขกับทุกข์ไปแล้วเนาะทีนี้อารมณ์อันไหนที่มันเป็นคู่ๆูอีกนะ <Okay. S 1> ดีใจกับเสียใจจริงๆอะจากประสบการณ์ก็พอรู้อยู่แล้วว่าเออเวลาดีใจก็รู้รู้รู้รู้แล้วว่าเออดีใจเวลาเสียใจก็รู้แล้วว่าเสียใจอันเนี้ยมันเป็นของคู่ <Okay. S 1> แต่ทีนี้ที่ที่หลงผิดไปอะคือ เพราะว่าความหลงผิดไงเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ว่าดีใจเป็นผู้รู้ว่าเสียใจแต่จริงๆมันไม่ใช่เราเป็นผู้รู้มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งเขาต้องรู้ได้ว่าเออดีใจก็รู้เสียใจก็รู้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยที่เรียกว่าจิตดั่งเดิมจิตเดิมแท้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เสียใจแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ดีใ จ, ใจเขาจึงอยู่เหนือสองสิ่งนี้ ง่าย ม, มากเลยเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เขาบอกว่ารู้ซื่อๆก็คือแบบนี้แหละคือมันเป็นอย่างไรก็คือรู้แล้วอะ่ะอย่าอย่าหลงไปเหมือนกับเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเออรู้จักแล้วมันดีใจก็ก็ ก, ก็เออก็รู้แล้ว <laughs> มันเสียใจก็รู้แล้วใช่หลักรู้อย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่ต้องไปเป็นอะไรเนี่ยประมาณนี้เออชัด <c oughs> เจ น, เนง่ายรู้เท่าทันรู้เร็ว มันอย่างเริ่มต้นเนาะโอเคเราก็เข้าใจได้มันเหมือนกับว่าสติปัญญาเนี่ยมันมันรู้ช้ามันรู้ช้าคือรู้ไม่ทันเลยรู้ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ต้องฝึกเ อ, อ่อพอเราฝึกเนี่ยอย่างหลวงพอพูดท่านก็บอกว่าเอ อ, เ อ, อจะเดินจะเดินยืนนั่งนอนเนาะให้รู้กับการเดินยืนนั่งนอนดื่มทำพูดคิดเนี่ยเห็นไหมท่านก็เอาสิ่งพวกนี้มาเป็นเครื่องฝึกสติ ก็หมายความว่าเมื่อเดินก็ฝึกรู้ให้เดินฝึกรู้ว่าเดินเห็นไหฝึกรู้ไปเมื่อนั่งก็ฝึกรู้ไปนะให้รู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอาเหมือนกับว่าเอาสิ่งนั้นเนี่ยเอาการกิริยาการเดินยืนนั่งนอนเดิมเดินยืนทําพูดคิดซึ่งมันเป็นกิริยาที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ฝึกรู้ไปฝึกรู้ไปเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเครื่องฝึกขอให้เรามีความเพียร น, นะนะบางทีเราฟังธรรมะมาเยอะ แต่ก็ไ ม, ไม่ไม่ได้ออกมาฝึกไงตรงนี้มันก็ทําให้เลื่อนช้าเสียเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังก็ก็มาฝึกฝึ ก, ก, นะฝ ก, กรู้นะฝึกรู้พอฝึกรู้เดี๋ยวมันก็สติมันก็เกิดแล้วก็ต่อไปเมื่ออาการกิริยานั้นๆมันมันมีขึ้นมันปรากฏขึ้นสติก็จําสภาวะนั้นได้มันก็ทําให้เกิดการระลึกรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นการพัฒนาสติพอพัฒนามากมากไงสติเนี้ยก็จะรู้ รู้เท่าทันทั้งทางส่วนที่เป็นกิริยาทางกายแล้วก็กิริยาจิตที่มันคิดมันนึกหรือมันมีอารมณ์เพราะนั้นเราเราไม่ภาคปฏิบัติการการเดินปัญญาแบบนี้อเนาะไม่ไม่ใช่ไปไปกดข่มนะกดข่มเช่นบางคนพอจิตใจไม่ดีอย่างเนี้ยหรือว่าเวลามีโกรธมีอะไรเนี่ยแทนที่จะเออเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกแต่ชอบไปกลบไปข่มเนาะ ไปกบไปข่มหลวงพ่อเข้าใจแหละเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราไม่ชอบจิตที่มันไม่ดีเนาะต้องชอบสิ่งที่ดีดีท <Okay. S 1> ีนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ไงพอเปลี่ยนใหม่ก็เท่ากับว่าอ๋อจากนี้ไปนะอะไรเกิดขึ้นนะที่มันเป็นอาการใดๆก็แล้วแต่รับรู้รับรู้เนี่ยแต่อันนี้เขาคือเรียกทำความเพียรที่ถูกต้องนะ่ะรับรู้รับรู้แต่มันก็มีเงื่อนไขอีกแล้วเมื่อรู้แล้วเนานะ ต้องต้องมีสติรู้เท่าทันที่สมมติว่ามันมันรู้ไม่ทันอาการทางจิตเนี่ยแล้วดันไปพูดหรือว่าไปไปกระทําอะไรออกไปเนี่ยตรงนั้นน่ยมันออกเขาเรียกว่ามันปรุงแต่งทางจิตแต่ว่ามันลามมันล้นออกมาถึงทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สอนเราได้เช่นสมมติว่ายกตัวอย่างนะเช่นสมมติว่ามันโกรธโมโหแล้วก็พูดออกไปเนาะใช้คําหยาบบ้างคําด่าบ้างเนี่ยอันนี้คือ ถ้ามันหลุดไปแล้วก็คือโอเคมันหลุดไปแล้วก็คือรู้ว่ามันหลุดแต่อาการหลุดแบบเนี้ยมันจะสอนตัวเองได้ดีว่าอเมื่อกี้ไม่ทันอาการที่รู้ว่าไม่ทันแล้วต่อไปมันก็จะพัฒนาให้ทันขึ้นคือจะไม่พูดจะไม่กระทําเพียงแต่เห็นอาการภายในเนาะที่มันมีความไม่พอใจมีความโกรธรู้ว่ามันโกรธแต่มันจะยับยั้งชั่งใจคือมันจะทันต่อการพูดต่อการกระทําอย่างเงียบแล้วมันจะเริ่มไม่ไม่พูดไม่อะไรแล้วแต่รู้ภายในอยู่ แล้วก็พอพัฒนาให้มากนะต่อไปเนี่ยมันก็จะรู้แค่ภายในว่าเกิดแล้วปรากฏแล้วแล้วก็พอมันรู้เร็วเนี่ยเหมือนกับว่าพอจิตมันเคลื่อนนิดนึงเคลื่อนทําท่าจะโกรธทําท่าจะมีโมโหเนี่ยมันก็เห็นแหละเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กำลังที่จะโผ่ไหม้จิตใจเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกรู้ทันเสียก่อนมันก็เลยดับไปมันดับไป สนุกนะตรงนั้นอ่ะสนุกมากเลยเป็นขั้นที่แบบรู้ทันแล้วมันขำๆมันแบบอะไรไม่รู้บอกเขาถูกในเรื่องของความเข้าใจผิดอ่ะเนาะแต่มันก็เข้าใจผิดจริงๆอะเพราะว่ามันยังไม่รอบรู้ในในสภาพธรรมะที่เป็นสัจธรรมแท้ซึ่งเข้าใจผิดเรื่องความว่างอ่ะคือความว่างของคนนะส่วนใหญ่เช่นถ้าพูดถึงทางจิตใจนะเขาเข้าใจว่าจิตใจเนี่ยนิ่งเงียบเนาะ ไม่มีความคิดลบกวนไม่มีความถูกไอ้ความทุกข์เสียดแทงคือเหมือนกับว่าให้มันปลราศจากอารมณ์เหล่านั้นไงคือเหมือนกับว่าอุปมาเหมือนกับน้ําเนี่ยที่มันนิ่งจริงๆนะน้ำจะต้องไม่กระเพื่อมน้ําจะต้องออไม่มีลมพัดไม่มีไหวๆไม่มีคลื่นประมาณนี้คือไปคิดเอาเองเนาะไปหวังเอาเองว่าถ้าทําได้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเข้าถึงความว่าง ทั้งหมดนี้มันเป็นความเข้าใจผิดหมดเลยพอเข้าใจผิดก็พยายามที่จะปัดไงพออะไรเกิดขึ้นก็ปัดปัดปัดปั ด, ปดเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ที่ว่างสมใจตามที่เราต้องการ<笑><笑><笑>มันเป็นความเข้าใจผิดแบบโอ้โหร้ายกาดมากเลยนะแต่ถ้าเข้าใจถูกคือยังไงอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความว่างก็คือเข้าใจอย่างนี้ก็หมายความว่าไอสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันก็เป็นปรากฏปรากฏในใจนะพูดถึงในใจนะ เช่นความคิดความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องปรากฏตามเหตุตามปัจจัยอยู่แล้วแหละแต่ความว่างที่เจ้จริงเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีจิตเดิมแท้เนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่รับรู้สึ่งถึงสิ่งที่ปรากฏได้แต่รับรู้รับรู้แล้วก็จิตเนี้ยก็จะไม่ไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ปรากฏในจิตนะจิตเนี้ยเขาเพราะได้แต่รู้เนาะไม่เป็นผู้วุ่นวายแต่ได้แต่รู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงอยู่ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันก็เป็นแค่ สิ่งเกิดสิ่งดับเนาะใจใจแท้เดีจิตเดิมแท้เนี่ยไม่เดือ ด, ด, ดร้อนอะไรเลยแล้วก็นเนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยถึงเขาเรียกว่าเข้าถึงความว่างอันแท้จริงเพราะว่าว่างจากความปรุงแต่งนะสิ่งที่ปรากฏต่างหากที่เป็นความปรุงแต่งแต่จิตเดิมแท้ซึ่งมีคุ ณ, ณ, ณสมบัติที่เป็นที่เป็นรู้เนี่ยไม่ปรุงแต่งก็ไม่คือไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรคือได้แต่รู้แจ้งอยู่อย่างเนี้ยอันเนี้ยมันจะว่างว่างเขาเรียกว่าว่างอย่างแท้จริงเขาเรียกว่าว่าง จากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความเป็นตนๆนว่างจากความปรุงแต่งคือมันว่างไปทุกอย่างไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรมันว่างไปหมดแต่อารมณ์นั้นอะ่ะ<ฮ>ก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นแหละเรียนถามพระอาจารย์นะครับเมื่อกี้ถ้าคือปกติที่ผมเจอเพื่อนบางคนนะอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมอย่างนี้ครับอ่านหนังสือธรรมะแต่เขาฝึกกันน้อยครับอาจารย์การฝึกสตินี่เราก็ทําได้ใน ในชีวิประจําวันใช่ไหมครับอาจารย์อย่างอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่อย่างนี้ยครับเราทําได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ฝึกฝึกได้ตลอดเวลายกเว้นหลับเดียครับทีนี้บางคนก็เนึกว่าเอยอยังผมเมื่ก่อนผมเป็นผู้วิหารนะครับลูกน้องก็ขอแบบไปแบบไปปฏิบัติธ ร, รรมลาพักร้อนไปเจแปดวันเนี่ยครับแล้วกลับมาเขาก็าก็ดีได้พักๆแล้อาจารย์อาจารย์แล้วก็พอเราจะพาต ก, กลับมาเหมือนเดิม ในในส่วนตัวผมเมื่อก่อนผมก็มีมิจฉาทิฏฐิไม่เคยมาฝึกเนี่ยพอดีผมก็ฝึกมาได้ประมาณสักหกเจ็ดเดือนนะครับก็โอพบว่าทําอย่างนั้นก็เป็นกุศลอยู่แล้วครับแต่อพอดีเขาก็อาจจะฝึกครับปีละครั้งเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ทราบเลย น, นะครับจนผมได้มาฝึกแต่ครับอาจารย์ก็าากทําไม่รู้ว่าโอ้ทาได้จริงๆในชีวิตประจําวันเราก็เขาก็ปฏิบัติทําได้ใช่ไหมครับอบาจารย์ใช่ใชช่ ผมเองผมก็มีผมก็เป็นคนออกกําลังกายครับอาจารย์ผมเป็นผมวิ่งานะมาราธอนนะฮะเมื่อก่อนผมก็เวลาวิ่งก็ใช้เอาหูฟังไว้ด้วยฮนะฟังเพลงฟังเขาเรียกว่าหนังสือเสียงะเรียกว่าพอดแคสต์หลังๆนี้ผมไม่ได้ไไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วครับผมเอากายออกใจออกไปวิ่งนะครับไปซ้อมวิ่งในทภาวะของผมผมผมเรียกว่าผมวิ่งเจริญสติ น, นะครับวิ่งๆอยู่ผมก็จะรู้แล้วว่าเออความคิดมันเข้ามาแนละ้วถ้าเป็นอกุศลผมก็ กลับมารู้สึกตัวที่ปลายเท้าผมบ้างลมหายใจบ้างความคิดที่ไม่กุศลก็ค่อยๆหายไปนะไอ้ความคิดก็เป็นกุศลก็มีนะครับเช่นคิดถึงคําสอนของพระอาจารย์คิดถึงสิ่งดีๆผมก็อาจจะอยู่ผมสักพักหนึ่งผมผมกลับไปรู้สึกตัวชัดๆที่กายก็หายไปที่ผมปฏิบัติ น, นะครับพอ <c oughs> อบางครั้งถ้าผมสะดวกเเอจะป็นกตอน <c oughs> ใกล้รุ่งผมก็จะนั่งนั่งจิตนสติที่ห้องพักในระหว่างวันผมก็รู้ตัวนะฝึกแบบมันไม่ได้ฝึกครับคือก็ไม่ได้ไปเพ่งอยู่เลยนะครับทํำเล่นๆนะครับแล้ว <c oughs> อ๋อตอนนี้ก็เช่นขับรถก็รู้ว่าขับรถอยู่นะมือกํำพวงมาลัยอยู่เหยียบเบรกนะอะไรเงี้ยเอหรือเดินอย่างเงี้ยครับรู้ว่าเราเดินอยู่ ผมผมว่าใช้ใช้วิธีอย่างนี้นะครับแล้วก็ก็พบว่าเราก็เราก็เกิดสภาวะที่ที่เราไปสะท้อนกับพระอาจารย์ท่านอาจารย์ผมได้ครับว่าเออผมทําอย่างนี้แล้วผมก็ทําให้ผมไม่ไม่มีเอา่าพอเรารู้สึกตัวชัดเราก็ไม่มีความคิดที่จะมาใส่ไปเกาะเกี่ยวครับอาจารย์ครับผมก็อโดยส่วนตัวผมคิดว่าการฝึกฝนนี้อา่าเป็นสิ่งที่ที่ที่สําคัญนะครับผม แล้วก็จากคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องปริยัตินะครับ <c oughs> ผมก็หลัง <c> ๆ <oughs> ผมก็มีการครั บ, ร บ, บมีตอนนี้ทีน่นิพานก็มีพระอาญบดลบฉบับประชาชนมีหนังสือธรรมะหลายเล่มที่ผมอ่านอยู่ครับสิ่งนี้ก็ยิ่งผมได้ได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์ได้สนทนาได้ลกล่าวช้ำนะครับก็น้องหนุ่มนีน่ก็รู้สึกปิติครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้ยินครับผมก็ก็ฝึกอย่างนั้นนะ่ะนะแต่ที่นี้ต้องต้องเพิ่มเติมต่อยอดขึ้นมา เพราะว่าลองมองลึกๆว่าเออยังมีตัวเราเป็นเป็นผู้ฝึกไหมมีเราเป็นผู้วิ่งมีเราเป็นผู้ผู้ฝึกมีเราเป็นผู้อยากจะได้อะไรไหมเช่นเช่นอยากให้ตัวเราเนี่ยมีสติมากขึ้นอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลง ตรงเนี้ยมันก็ลึกๆอ่ะ น, นะมันเป็นเป็นความละเอียดเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่าโอ้มันยังมีตัวเราอยู่นี่ตัวเราเป็นผู้ฝึกเป็นตัวเราเป็นผู้มีความเพียรโออย่างเนี้ยเพราะนั้นก็ให้รู้ตัวเรานะให้รู้ตัวเราที่มันมันที่รู้สึกว่ามันมีตัวนะ่ะถ้ารู้ได้ตรงนั้นแหละมันก็จะเลื่อนขั้นอีกระดับหนึ่งเพราะว่าคราวใดก็ตามที่รู้ตัวเราเนี่ยตัวเราก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้แล้วก็เป็นแค่สังขารเกิดดับ มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่ถ้ายังไม่รู้ตัวเรายังไม่เห็นตัวเราเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตัวเราก็ฝึกอยู่เรื่อยนะมีตัวเราไปฝึกมีตัวเราไปวิ่งมีตัวเราเป็นผู้ทาความเพียระฉะนั้นลองลองดูที่สามารถที่จะพบตัวเราได้ไหมรู้ตัวเราได้ไหมตรงนี้มันก็เป็นเป็นความละเอียดอีกระดับหนึ่งมันเป็นขั้นตอนเนาะแรกๆก็ต้องเอาตัวเราไปไปฝึกไปฝึกรู้ความ ร่างกายเคลื่อนไหวเทาว้ากระทบพื้นแต่ก็ต่อมาก็ต้องพัฒนาจนกระทั่งให้พบตัวเราให้รู้ตัวเราเกตัวผมก็ก็ยังเป็นผู้ใหม่นะครับก็อโอทั้งคกับกับขอบคุณหลวงพ่อแลยครับเออที่พาาะระอาจารย์อที่ได้กลาวตรงนี้เพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นฝรั่งเรียกวปเลเวลต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องนั้นก็น่าจะเป็นการฝึกเรื่องนอนเซลล์นะซึ่งก็ ผมผมการฝึกรู้ตัวมีสตินีก็นะครับก็สติปฐานสีเนี่ยผมว่า mm hmm. ก็จะทําให้เราผมว่าการเรารู้รู้สึกตัวเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยครับมันมีประโยชน์ในการทํางานด้วยนะครับอย่างการประชุมการสื่อสารเนี่ยเมื่อเราเราเรามีความรู้ตัวเอการพูดเราก็รู้ว่าเราพูดอะไรโดยเฉพาะการฟังเราจะรู้ว่าเขาจะสื่ออะไรเราด้วยนะครับ พอเพราะถ้าเรามีความคิดแทรกเมื่อไหร่เนี่ยหูเราดับทันทีเราจะไม่ได้ฟังเขาจริงๆนะครับอันนี้ผมไปใช้กับตัวเองแล้วผมว่าเอออันนี้ผมประจักษ์ในตัวเองว่ามันได้ผลในในการฝึกเนี่ยฝึกฝึกสติเนี่ยครับสติสัมปชัญญะเนี่ยครับเออได้ผลมากนะครับในชีวิตประจำวันกับครอบครัวเออกับลูกกับเออคนออใกล้ตัวอย่างภรรยาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็ฟังเขาได้ดีขึ้น แล้วก็การฝึกสตินี่ผมก็ในส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนุญาติเราบอกว่าเป็นเรื่องเรื่องเฉพาะตนนะในส่วนตัวเราก็เราก็เชื่อกับเราว่าการฝึกของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไปสู่สภาพที่ว่านอนเซลล์นะครับแล้วก็ก็จะทำให้เราในเส้นทางที่ที่ที่เราได้ในทางพูดแล้วนะครับนะครับก็มาถึงว่าขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ